อยากจะไปสนทนาที่นั่นเราก็จะได้นึกภาพเหตุการณ์สถานที่ที่นั่นได้เยอะหน่อยพันช่วงนี้เราก็เป็นสนทนาพระธรรมทีนี้พระธรรมนี้เท่าที่เตรียมเรื่องกะกะคาดคาดไว้ในใจอยู่3ามกลุ่มเรื่องด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือเกี่ยวกับโสดาปัติยังฆาตธรรมของพระอริยาสาวกเนี่ยนะเพราะว่าเกี่ยวกับองค์ของผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาบันเนี่ยนะโดยมากแสดงที่เมือง กบิลพัทเนี่ยนะเพราะว่าปลูกฝังศรัท ธ, ธาต่อพระญาทั้งหลายให้ให้พระญาต์นี้มีศรัท ธ, ธาในพระัตนะตรยัยในชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานคือเช่นมหาสุญญาตาสูตรเนี่ยนะพูดถึงการเจริญสับกรรมฐานที่วิจิตพิสดารอีกที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับส่วนกบิลพัทเนี่ยนะก็มีเช่นเสขาปฏิปทาสูตรเนี่ยนะ ก็เป็นพระสูตรที่น่าสนใจเช่นมหาสุญญ า, าสูตรก็น่าสนใจนะตอนนั้นก็ของเมืองก บ, บิลพัทซึ่งเรามาถึงที่นี่ก็อยู่ในเขตแว่นแคว น, นี้อยู่แล้วสรุปแบ่งเป็นหนึ่งนะเสขาปฏิปทาสูตรหนึ่งนะที่สองก็มหาสุญญ า, าสูตรอย่างที่ชุดที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ประสูตรนะนะส่วนเหตุการณ์เกี่ยวกับประสูตรก็อยากจะแสดงพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ในสถานที่เลยเห็นไหม จะดยจะดีกว่าอันตอนนี้เราจะสนทนาเรื่องอะไรก็ได้ส่วนเกี่ยวกับมหาปริศลักษณะนี้คงไม่ไม่แสดงเพราะว่าผู้ที่ฟังเรื่องกรรมก็มีหลายคนอยู่แล้วเคยเคยฟังเรื่องกรรมมานนะี่ยก็ฟังเอาจากเรื่องกรรมแต่ถ้าไม่มีใครเสนอเลยใช่ไหมเนี่ยนนะแต่ที่จริงอยากจะกล่าวสูตรหนึ่ง น, นะที่ครั้งก่อนคุณหลานก็ได้อยากให้แสดงเรื่องอุโบสถเนี่ย น, นะเกี่ยวกับเรื่องอุโบสถ เกี่ยวกับเรื่องอนิจังว่าทําไมจึงแสดงก่อนก่อนที่อื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็เพราะว่าอนิจังมันเห็นง่ายในความไม่เที่ยงนะในความไม่เที่ยงนี่มันเห็นง่ายใช่ไหมอย่างสมมติมาถึงเนี่ยบอกโอเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะฟังแล้วเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมโอ้เมื่อก่อนสาวกว่านี้เยอะอย่างเ <t> ี้ก็เข้าใจเลยใช่ไหมอย่างเง <t> ี้ยอ้าวคนที่นี่มีร่างอย่างเร <r ang, S 2> ามาเนี่ยมาก็มาพูดถึงคนตายแล้วทั้งนั้นแหละอันนี้ก็อนิจังเหมือนกันเพมันอนิจังนี่พูดแป๊บเห็นเลย คือถ้าทุกขังนะบางทียังต้องอธิบายถ้าในหมู่ผู้มีความสุขนะมันทุกอย่างไงทําไมมันจึงทุกก็เห็นอะไรก็สมความปรารถนาไปหมดแล้วมันทุกอย่างไอางอย่างเงี้ยไงถ้าเป็นอนัตตาด้วยยิ่งเข้าใจยากพราออนิจจังนั้นเข้าใจไม่ยากอย่างเช่นเนี่ยภาริยาสาวกสมัยพุทธกาลใครยังอยู่บ้างตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดับขันปริญนิพพานไปแล้วสังขารทั้งหลายอย่างเมืองกูสาวดีตอนนี้เหลือเมืองอะไรเมืองเล็กๆ เป็นกิ่งเล็กเมืองดอนเนี่ยนะเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยอความไม่เที่ยงเหล่านั้นก็ปรากฏชัดแล้วไม่เหลือแล้วอย่างของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดในหนึ่งนะอีกสาิบปีข้างหน้าจะเหลือสักกี่คนนะเนี่ยฟังเข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมสามสิบปีข้างหน้าผู้การถ้าอยู่ก็ร้อยปีพอดีาหลายคนก็เชียร์ให้ผู้การอายุร้อยสิบเนี่ยนะทให้ถึงแช่งกันเนี่ยนะเพรมีเวลาศึกษาตั้งห้าสิบปีกับผู้การ ใช่ตอนนั้นก็หกสิบแไปเปลุงตาอะไรแก่งอเงินแล้วไหวกเกษียณพอดีเลยไหมเออมีมีพระบางท่านทาแสดงเรื่องอนิจจังว่าเป็นการใครครวนพิจารณาอ่าอย่างนี้จะเป็นอนุปัสนาได้ไหมครับเห็นอะไรก็พิจารณาใคร่ครวนว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงให้ใส่ใจนึกบ่อยๆคือถ้าความรู้ร้านโดยเฉพาะกรรมสักการไม่ค่อยดีเนี่ยนะ อย่างว่าเธอว่ารู้กันว่าการที่จะคิดเรื่องอะไรไม่เที่ยงเนี่ยเบื้องหลังยาตาปริญญาในสิ่งนั้นต้องดีคือเช่นอย่างว่าแต่อย่างว่านะแต่ละคนเนี่ยอายุกันจ ะ, จะอยู่กันอีกสักกี่ปีหนอเดี๋ยวว่าตายกันหมดแล้วซึ่งถ้าหากว่าอย่างนี้นะฝรั่งเขาก็คิดแบบนี้ถ้าคิดอยู่เท่านี้นะฝรั่งเขาก็คิดชาวต่างประเทศที่ไม่มีคําสอนเขาก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็รู้กันอยู่แล้วจนเอามาประกอบอาชีพแพทย์เลยก็มีคณะใหม่ขึ้นมาคณะอะไร คณะเกี่ยวกับคนอายุมากอ่ะคณะวัยทองอ่ะนะตอนนี้ก็มีคลินิกใหม่และคลินิกวัยทองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนแก่เป็นยังไงะนะจนถึงก็มีแพทย์ที่ประจําเลยนะดูแลคนแก่แตถ้ากล่าวอย่างนี้ความทุกข์หรืออ น, นิจจังแบบนี้หรือความตายเนี่ยนะสั ป, ปเหร่อก็เห็นแล้วเดี๋ยวก็เผาอีกแล้วเดี๋ยวก็เผาอีกแล้วสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็กเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ทั้นถ้าพื้นฐานไม่มียาตะปริญญา ไม่มีความรู้โดยเฉพาะกรรมมศกตาเป็นต้นเป็นอย่างดีการคิดถึงเรื่องความตายนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเพียรอะไรเลยอย่างเราก็เราจะได้ยินนะหลายคนก็ได้ยินนะคนที่ไม่ศึกษาธรรมะ ก, ก็อุทานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตายเรื่องไม่เที่ยงแต่ว่าถามว่าความเพียรพยายามมากขึ้นไหมไม่มากอะไรผู้ที่มีอนิจจสัญญาอย่างสมบูรณ์ถูกต้องจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการ เจริญกุศลอย่างบางแห่งเนี่ยที่เราไม่ค่อยเชื่อนักว่าเขาเจริญอ น, นิจจสัญญาเนี่ยเพราะว่าสุดจริตกรรมเขาไม่ค่อยมากนักเท่าที่ควรจะเป็นเขาควรจะเป็นคนดีกว่านี้ว่า ง, งั้นเถอะถ้าตามคําที่เขาพูดนะเขาควรจะมีฮิริโอตปะมากกว่านี้เขาควรจะสังวรในการทําบาปทําอกุศลมากกว่านี้แต่บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทําไม่รู้จักบาปกรรมอะไรเลย เขาไม่เห็นว่าอากุศลที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรวมในสภาพจิตของเขามันมีโทษอะไรเพระฉะนทาให้รู้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องไอ้ไม่เที่ยงสักเท่าไหร่นี้การเข้าใจเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยเข้าใส่ใจเป็นสมุดฐานสมุดฐานไปความไม่เที่ยงของแต่ละสมุดฐานไม่ใช่เข้าไปแช่งเห็นหน้าคุณไปทูนปั๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วตอนนี้แช่งกันชัดๆใช่ไหมถ้าพิจารณาไม่ดีเนะ ไม่เข้าไม่การเจริญอ น, นิจจสัญญาอา น, นิจจังนั้นน่ะไม่ใช่การเข้าไปแช่งเขาแต่มองชีวิตของเขาตามสภาพที่เป็นจริงว่าเขาควรจะอยู่กี่ปีหนอเห็นหน้าปั๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วกับเห็นว่าเขาควรจะมีอายุกี่ปีหนอดูสิอาหารชร้อแบบนี้จิตตชะร้อแบบนี้อุตุเชร้อแบบนี้ถ้ารูปสมุดฐานอื่อนๆไม่ค่อยดีไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ แล้วกรรมมัชโยบของเขาจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่น้อถึงอยู่ก็อยู่แบบคนเป็นอมรพฤกษ์อมรอพาดลุกเหินเดินไม่คล่องเป็นต้นจะมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยเราก็มาเนื้อพันต์ก็เป็นการมองชีวิตรอบด้านไม่ใช่เข้าไปไปพิจารณาเดี๋ยวก็เจ๊งละเดี๋ยวคันนี้ก็เสียหายละเดี๋ยวคันนี้มันเหมือนมองทุกคันเนี่ยรถระเบิดหมดเลยมองตึกทุกหลังแล้วก็โหถล่มเหมือนหนังสงครามไม่ใช่แต่หมายถึงการไปใส่ใจโดยวิธีการต่างๆ ไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุนี้แต่ที่สําคัญนั้นการพิจารณารูปควรระลึกถึงสมุทฐานอย่างอย่างเช่นจิตตชรูปที่โสมนัตอยู่ใช่ไหมถ้าใส่ใจจิตตรูปนั้นไม่เที่ยงนะนี้ได้ผัสสะนะโสมนัตเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตดับไปเขาจะเกิดอะไรก็เกิดโทมนัติอย่างเริ่มพิจารณาอย่างนีน้เริ่มพิจารณาตัวสมุทฐานพร้อมทั้ง ปัจจัยท่านผู้ที่ใส่ใจในเรื่องความไม่เที่ยงจริงๆแล้วเป็นคนที่พิจารณาทุกอย่างพร้อมทั้งสมุดฐานเป็นอย่างดีแต่สมุดฐานทั้งนั้นทั้งนี้กรร ม, มสกตาสําคัญที่สุดเนีย่ยนะเพราะว่าจิตตชรูปอุตตูชรูปอาหารชรูปเป็นตัวมาค้ากรร ม, มสกตาให้เป็นไปได้ยาวเนีย่ยนะเพราะตัวพื้นเพย์เดิมๆของแต่ละท่านก็คือกรร ม, มชรูปใช่ไหมจิตตะชรูปก็มีกันใหม่ๆมีกันใหม่ๆอุตตูชรูปก็อาศัย ผูต้ตใหม่ๆอาหารชารูปว่าใัยอาหารใหม่ๆแต่กรรมเชารูปนี่แหละที่มันทําให้เขาเหมือนกับคงเดิมเหมือนคนเดิ ม, เ ด, มเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติถ้าเอาจิตชรูปเป็นประมาณเดี๋ยวเขาก็หัวเราะเดี๋ยวเขาก็ร้องให้เดี๋ยวเขหัวเราะไอ้คนไหนกันแน่ถ้าเอาอาหารชารูปเอาอาหารก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเ่อๆยๆถ้าเอาอาหารเชรูปแล้วเราเป็นคนแขกไว้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่พระเรามาบริโภคอาหารแขกอย่างเงี้ยนะเราก็กลายเป็นแขกไปแล้ว ถ้าอุตุชรุป เ, เราก็มารับถ้าเป็นอุตุชรูปภายนอกนะฮะเราก็รับอุตุชรูปของของประเทศแถวนี้เราก็กลายเป็นคนแถวนี้ไปเลยกลับประเทศไม่ได้แล้วเพราะเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนไปหมดแล้วเหมือนกันแต่นี้ก็ถือเอากรร ม, มชรูปเป็นประมาณเนี่ยนะความเป็นไปได้แห่งชีวิตก็ถือเอากรร ม, มชรูปเป็นหะลักเนี่ยนะอันรูปอื่นๆในฐานะเป็นตัวอุปธรรมอะไรรูปเป็นตัวอุปธรรมกรร ม, มชรูปเนี่ยนะังนั้นการพิจนารณาถึงความไม่เที่ยงนั้นโดยเฉพาะรูปปั้นเขาจะมองทุกสมุธฐาน สมุธฐานแต่และอย่างที่ควรจะเป็นอย่างจากักขะไม่เที่ยงเนี่ยจกักระอาศัยอะไรตัวจกักขะต้องอาศัยสัสัมภาระเหตุปัจจัยที่จะทําให้สัสัมภาระจากสู่เสียหายมันเยอะที่เรียกว่าจักระโรคโูโรคตาโดยประการต่างๆก็ทําให้ตานี่แตกทําลายเสียหายไปแล้วโรคหูละ่ะหูนี่ก็พร้อมจะแตกทําลายเสียหายออกไปเพราะอะไรเพราะอาศัยองค์ประชุมของเขาเองอะนะตาของเราเนี่ยถึงไม่มีใครเอามาอะไรมาทิ่มมาแทงมันก็ พร้อมที่จะเสียหายหูนี่ไม่ต้องใครมาบ้องหูก็พร้อมที่จะเสียหายเนี่ยนะนะจมูกล่ะก็พร้อมที่จะเป็นหวัดพร้อมที่จะเสียหายคนที่จมูกแหว่งเพดานโบเราก็เห็นมาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วลิ้นละ่ะิ้นเนี่ยเคยเห็นลิ้นเปื่อยไหมเป็นต้นแล้วร่างกายแต่ละส่วนอะไล่ตั้งศีรษะจนถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะแต่ละส่วนแต่ละส่วนพร้อมที่จะเสียหายหมดเลยด้วยด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยนะนะ คือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราถึงคนอื่นไม่ข้ามก็ตายอา่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังถูกฆ่าอีกไงประสบอุบัติเหตุตายกันมากมายดันการใส่ใจถึงอ น, นิจจังนั้นต้องโดยเฉพาะรูปเนี่ยสมุดฐานต้องเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าเข้าใจรูปอย่างนี้ถ้าใส่ใจในความไม่เที่ยงของเวทนาก็ดูผัสสะพอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องให้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องให้ก็ไม่ค่อยเยบคลายสับเท่าไหร่แต่ถ้ามองแบบหัวเราะแสดงว่าได้ผัสสะที่เป็น อิทารมถ้าเดี๋ยวก็ร้องไห้ก็ได้ภาษาที่เป็นอนิถารมเดี๋ยวก็เฉยๆก็เป็นได้ภาษาที่เป็นมัชตาอาระนั้นก็อ่านจากว่าเขาได้ภาษาชนิดใดามาที่เป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นๆแล้วสัญญาขันละ่ะอุปนิสัยเขาสั่งสมกุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญามาแล้วเจตนาเขาละ่ะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เรียกว่าสังขารขันและ ว, วิ ญ, ญญาณขันละ่ะ เดี๋ยวก็เห็นเดีวก็ได้ยินจากขววิญญาณโสตากานะชิวหาวิญญาณดันั้นการใส่ใจไม่เที่ยงนั้นใส่ใจรูปพร้อมทั้ง4สมุธฐานใส่ใจเวทนาก็ระลึกไปที่ผัสสะนีนะสัญญาสังขารกใ็ในลักษณะเดียวกันถ้าวิญญาณก็แล้วแต่นามรูปตามทวารต่างๆเพราะจิตก็เป็นไปตามทวารต่างๆนั้นการใส่ใจแบบนี้บ่อยๆถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นแหละเรียกว่าการเจริญอันนี้จะสัญญาพิจารณาทั้งภายในและ ภายนอกการเจรณาหนีจ้จสัญญาเนี่ยไม่ใช่มองปับ๊บสมมติว่ามองตาคนอื่นว่าเออตาไม่เที่ยงเสร็จแล้วตาเขาบอดโดยไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการคํานวณดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆวัตถุประสงค์ของการคิดถึงเรื่องไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะเราต้องไม่ลืมว่าเพื่ออะไรเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดวัตถุประสงค์ของการพิจารณาทุกชนิดเนี่ยนะเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดคิดยังไงจึงจกัก เบื่อนายเพราะเห็นในสิ่งที่สังคตะธรรมนี้น่าเบื่อนายเห็นอสังคตะธรรมนี่หน้าหน้าเพลิดเพลินหน้าปรารถนาผันผู้ที่พิจารณาปัญญาโดยระดับสูงเนี่ยเขาต้องเอานิโรธสัจจะเขาเข้าใจนิโรธสัจจะเป็นอย่างดีนะผู้ที่เจริญนิพพานุปัสสนาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจนิโรธสัจจะเป็นอย่างดีเข้าใจนิโรธสัจจะเป็นอย่างดีว่านิโรธสัจจะควรจะเป็นอย่างไรนะ อย่างที่พยายามจะอธิบายหลายครั้งแล้วที่ที่ที่บ้านเราะนะว่าจากขู่กับจากขู่นิโรธนีต้องต้องคิดสองส่วนนี้บ่อยมากโสตากับโสตานิโรธขานะกับขา น, นิโรธเชิวหากับชิวหานิโรธกายกับกายนิโรธใจกับมโนมโนนิโรธหรือที่เรียกว่าทุกข์กับทุกขานิโรธสรุปว่าข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปเพื่อเพลิดเพลินในกองทุกข์นั่นคือสมุทัยสัตย์ ข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในกองทุกเหล่านี้เป็นมักขสัตต์อย่างสมมติว่าเรามาคิดดูสองอย่างว่าจักขโหกับจักขโหนิโรธผู้ที่ปฏิเพลิดเพลินในจักขโชื่อว่าพวกนักสร้างจักขุหผู้ที่เพลิดผู้ที่เบื่อหน่ายในจักขโคือผู้ที่ประสงค์ดับในจักรโเพลิดเพลินโดยความเพลิดเพลินทั้งมวลที่อาศัยจักขโหคือสมุทัยสัตต์ความปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในจักขโหเป็น มักสัตว์เนี่ยนะก็จะแยกสัจจะออกอย่างนี้นะถ้าถ้าจะมนสิการโดยไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนกัก น, นะก็คิดอย่างงี้คร่าวๆก่อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะพยายามคิดสองส่วนคือจักขู่กับจักขู่นิโรธโสตากับโสต า, า, น, า น, นิโรธคานากับคานานิโรธชิวหาชิวหานิโรธกายกายยะนิโรธมโนกับมโนนิโรธทุกทั้งมวลก็อาศัยอะไรอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ จักขูโสตคานาเชวหากายะมโนถ้าหมดทุกข์คืออะไรก็คือหมดจักขูโสตคานะเชวหากายะและมโนแล้วถามว่าสมุทัยคืออะไรคือความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเหตุให้สร้างตาหู <c oughs> เป็นเหตุให้สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนนิโรธละ่ะก็คือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำนัดใน ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นนิโรธเนี่ยนะ ก, ก็แยกสองส่วนได้อย่างนี้ก็ที่เหลือก็หาพระธรรมส่วนอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบเพราะจักขู่ในฐานะเป็นเป็นยยธรรมความเพลิดเพลินในจักขู่เป็นต้นเป็นตหาตปรธรรมถ้าดับทั้งหมดนั้นเป็นสัจจิกาตปรธรรมการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำลัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นพาเวตปรธรรม ทีนี้การที่จะเบื่อหน่ายคิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในจักขคู่เป็นต้นก็คือตามเห็นจักรคู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงโอ้โหมจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเมื่อก่อนตาใสกว่านี้เห็นอะไรก็ชัดกว่านี้เยอะตอนนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วหูเนี่ยก็เริ่มเสียหายแล้วเนี่ยนะมีอวัยวะเดียวที่ตึงขึ้นตึงขึ้นก็คือหูที่เหลือหย่อนหมด <c oughs> แล้วจมูกล่ะก็เดี๋ยวก็เสียหายลิ้นก็เสียหายกายก็เสียหาย ถ้าตาหูจมูกเลน้นกายเนี่ยบกพร่องเท่าไหร่รูปประคันบกพร่องเท่าไหร่วิญญาณนักขันก็อ่อนคุณภาพลงเท่านั้นเนี่ยนะเหมือนเสียงเนี่ยเสียงที่อาศัยเครื่องเสียงเนี่ยนะจิตมันก็เหมือนกับเหมือนกับเสียงที่มันแป่งดังๆๆออกมาถ้าเครื่องเสียงเสียหายแล้วแล้วตัวเสียงล่ะถ้าเครื่องเสียงเสียหายเสียงมันก็เป็นไปไม่ได้หรือถ้าไฟติด ต, ตดดับดเสียงก็แบบ ต, ติดตดับดบเหมือนกันถ้าร่างกายมันมีปัญหานะ ความคิดมันก็ติตดต ด, ดับดเหมือ น, นกั น, เ, นเพราะนามธรรมทั้งหลายในปัญจโวการภพเนี่ยต้องเป็นไปเนื่องด้วยรูประคันถ้ารูประคันไม่ดีนามอาคารก็พลอยเสียหายไปด้วยเนี่ยนยะเทบทวนอีกครั้งถ้าใครที่จะเจริญอนิจจสัญญาก็คือจะต้องคิดถึงเรื่องอริยสัจให้ดีๆเพราะว่าอนิจจังนั้นก็คือประกาศถึงความไม่เที่ยงของทุกขสัจเพราะทุกขสัจเขาเป็นอย่างนั้น อย่างที่พระองค์ตรัสนะไม่ใช้คําว่าไม่เที่ยงแต่ก็ใช้คําว่าขยะธรรมมาสังขาราหรือวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความสิ้นหรือมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ประกาศอ น, นิจจ์ใช่ไหมคําพูดของคนที่จะตายร่อมร่อนนี้ใช้คํานี้แหม <c oughs> เห็นชัดไหมก็ชัดแหละนะสังขารมาท่านะสังขารทั้งหลายมีความสินส้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาคนที่พูดแล้วก็จะตายจริงๆด้วยนี่แหมเชื่อมากๆเลย ของเราทั้งหลายก็เลยเห็นด้วยใช่ไหมว่าเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆควรหรือที่จะเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้ก็ไม่ควรท่านพ่อองค์จึงบอกนะย้ําอยู่เสมอว่าควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรแล้วที่จะคลายกําหนัดในสังขารทั้งปวงทีนี้ทํำยังไงเราว่าตระคิดยังไงหนอจึงจะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในสิ่งเหล่านี้ในสภาพสังขารเหล่านี้นะ สมมติไดอย่างโรงแรมเนี่ยเอาถามว่าเห็นเนะี่ถ้าดูธรรมดาไม่คิดอะไรมากน่าเปลือเปลือกไห ม, มก็ดีนะโอ้ดีถ้าถ้าดูแบบธรรมดานะไม่ต้องไปคิดโยงอะไรให้มันมากเลยนะถามว่าก็ดูดีนะก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนก็ดีข้างหลังค้าก็ดีพื้นก็ดีฝาก็ดีสีก็สวยไฟก็เปิดสว่างแต่ทีนี้ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องมีการบำ ร, รุงรักษาใช่ไหมเขาบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยสองเดือนมาเลยแอร์ไม่เคยใช้แสดงว่าไม่มีแขกเลย ถามว่าสองเดือนแล้วพนัก ง, งานกินเกลือหรือไงเกลือเนปาลก็ผลิตเองยากนะถ้าเกลือน้ําเค็มต้องไปสั่งซื้อมาหมดเพราะเนปาล น, นี่ไม่มีอะไรไม่ติดทะเลอ่ะหลายเรื่องมันสั่งเข้ามาทั้งหมดเลยถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเจ้าของแค่ไหนเอาลูกน้องมีเงินเดือนประจำเนี่ยมันต้องจ่ายไปเขาตามนั้นเลยข่าของเครื่องใช้มันก็เสียหายประจําอย่างที่ผู้การว่าอันนี้ถึงเวลาเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนลนะข้าของทุกชนิดเลยนะีย พอ้อไอถ้า บ, บรรยากาศที่ไม่มีอะไรมันเริ่มมีขึ้นมาทันทีเลยเหงื่อเริ่มแตกพลักแล้วนะถ้าเป็นเจ้าของอะ่ะถ้าเป็นของเราอ่ะนะคนอื่นที่ไม่เป็นของเราก็เลยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของเราเมื่ อ, อไร่แล้วก็เอาละเพราะไฟที่เปิดทิ้งๆไว้เนี่ยมันหมายถึงมิเตอร์มันก็ขึ้นประวั่ไหมประกาศถึงว่าค่าใช้จ่ายนี่มีตายตัวค่าบํารุงรักษามีอยู่แน่นอนถึงจะบํารุงรักษาดูแลดีปานใดคิดหรือว่าหลังนี้จะใช้อีกร้อยปีก็ยังใช้หลังนี้ตามเดิม ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปสมมุติถ้าหลังนี้นะสมมติถ้าเจ้าของอยังอายุสักยี่สิบสมมตินะถ้าหลังนี้แปดเอ่อท่านเจ้าของเนี่ยไปจนถึงอายุเจดสิบแล้วเนี่ยหลังนี้ควรจะได้หลังใหม่หรือว่าระบูรณะใช้หลังนี้ตลอดไปเนี่ยนะเดไม่ดีก็พร้อมที่จะใช้หลังใหม่ใช่ไหมเพราะถ้าสมมติถ้าประเทศชาติบ้านเมืองมันเจริญขึ้นหลังแบบนี้คนอาจจะเลิกใช้บริการก็ได้ หรือไม่ก็กลายเป็นของกระจอกไปแล้วก็ได้เพราะว่ายุคไปต่อไปแล้วมหาพูดก็ยิ่งวิจิตพิสดารขึ้นมากเท่านั้นนะถ้าไม่มีปรมานูมาบอมสักก่อ น, อ น, นก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายท่้นผู้ที่พิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนคิดน้อยๆเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คิดมากที่สุดดังที่เคยกล่าวไปบ่อยท่านคิดเลยนะสมมติมองเห็นตาใครบอกคนนิ่มร้องให้น้ําตามากกว่าน้ําทะเลองค์คิดลึกไปขนาดนั้นนะ ของเรานี่จะไปคิดอะไรอย่างมากก็เห็นน้ําตาซึมๆกันนิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมองออกเลยว่าน้ําตาของเธอทั้งหลายที่เวียนไหวในวัดตะพะแม่ตายคนเดียวก็ร้องไห้มากกว่าน้ําทะเลแล้วว่างั้นพ่อตายคนเดียวก็ร้องไห้มากกว่าน้ําทะเลอยู่แล้วท่านพงมองพระพงษ์จะคิดกว้างขวางคิดยาวคิดไกลด้วยแล้วก็ยังคิดอีกนะถ้าเป็นสูตรอื่นๆก็กล่าวไว้เลยนะถ้าหากว่าเธอไม่ทําโสดาปฏิผลให้แช้งทุกขของเธอก็จะเข้าแผ่นดิน ถ้าทำโสดาวปฏิผลให้แจ้งทุกของเธอก็เหลือเท่ากับเมล็ดงาเจ็ดเม็ดหรือเม็ดถั่วเจ็ดเม็ดเท่านั้นเองนะเพราะทุกของปุตุชนทั้งหลายเท่ากับแผ่นดินทุกของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับถั่วเจ็ดเม็ดหรือว่าทุกของปุตตชนเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรทุกของพระโสดาวันเท่ากับน้ำเจดหยดนะถามว่าห่างกันขนาดไหนหรือไม่ทุกของพระทุกของปุตุชนก็เหมือนกับทรายเนี่ยแม่น้ําคงคาไห่ตั้งแตบบ่ป่าหิมวันจนถึงทะเลเนี่ย ทุกของปุถุชนเนี่ยเท่านั้นทุกของพระโสดาบันเท่ากับทรายเเม็ดเนี่ยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นพันพงเนี่ยเป็นผู้ที่มองการไกลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคิดยาวทั้งนั้นเลยถ้าไม่คิดยาวๆจริงๆถามว่าจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในสังขารไหมจกเบื่อไหมถ้ายิ่งคนที่กําลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเป็นต้นไม่รู้จะเบื่อทําอะไรเช่นหนึ่งวัยเมาต้องเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างไหนึ่งนะ สองถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขภาพโดยมากก็ดีก็วัยในความเมาในความไม่มีโรคโอ้อีกนะเรื่องความตายนี่ห่างเรามา ก, ก น, นะเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกินร้อยทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วพวกนี้ตายก่อนพ่ อ, ก, อ, พอก่อนแม่หมดแนละ้เพราะอะไรเพราะเมาในชีวิตเพราะถ้าหากว่าศึกษาจนเข้าใจก็จะละความเมาในวัยเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียกว่าเมาในวัยเนี่ยนะกับเมาในความไม่มีโรคแล้วก็เมาในความเมาในชีวิต คนผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำนัดนั้นจึงเป็นผู้ที่ไข้ครวนมากนะไข้ครวนจริงๆเพราะว่าดังที่กล่าวว่ารู้อริยสัจบรรลุอริยสัจโดยที่ไม่รู้จักคําว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วรู้จักเกิดแก่เจ็บตายเนี่อรู้ของใครถ้าหากว่ามองเห็นคนข้างนอกแค่เห็นข้างนอกและบรรลุเลยนะพระโพธิสัตว์ก็บรลุกตั้งแต่อยู่ในวงังเพราะท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราทั้งหลายก็น่าจะบรรลุ ก, กันมากแล้วใช่ไหม คุณสุจีนเห็นคนเด็กเกิดแก่เจ็บตายวันละกี่คนเยอะแยะเลยนะแล้วก็เห็นตลอดนะทำไมไม่บรรลุเนา ะ, <Yeah. S 1> ะพ่อไม่ได้ทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้ก็เลยทันการพิจารณาในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเข้าคิดเป็นอาชีพเลยนะที่เขาเรียกว่าเรียกอะไรพรหมจันทร์พรหมจันทร์แต่พึ่เอาเป็นการเป็นงานเลยถ้ามีถ้าพระพิสุทธิ์ถ้าเขาจะถามเธอทั้งหลายว่าเธอบวชทําไม เขาบอบวชเพื่อกำหนดรู้ทุกเหล่านี้บวชเพื่อมาทำวิจัยในกองทุกขเหล่านี้คือทุกคือตาหูจมูกเล่นกายใจเพราะคนที่มัววิตกกังวลห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินมันคิดเรื่องนี้ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าว่าไม่ต้องปไปพูดกับเรื่องทำมาหากินก็ก็มาพิจารณาตาหูจมูกเล่นกายใจได้อย่างกว้างขวางแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ง่ายเนี่ยนะก็ ตอนแรกๆ ก, ก็ดีอ่ะทำท่าจะทําปริญญาดีอ่ะนะพอไปทําจริงๆอ่ะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้ใช่ไหมเอาไปนั่งคิดเรื่องตาเนี่ยจะคิดได้สักกี่นาทีเลยเถ้าความรู้พัฒสูตรใหม่มีความรู้พระธรรมใหม่มีศึกษามาไม่มากอ่ะนะเออได้ยินเสียงเออก็กําหนดเสียงๆเนี่ยดังๆดังๆก็รู้อยู่เท่านี้ทวานรจมูกทว า, ล, า, วาลิ้นเออทวารกายค่อยเยอะหน่อยทวารลิ้นก็คิดนิดๆก็หมดแล้วเนี่ยนะรู้ว่าหูทรัพย์น้อยกันจริงๆเลยนะโดยเฉพาะรัพย์คือสุ ต, ตะหรือซัทรัย์คือปัญญาที่จะ พิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่จะระลึกถึงคำสอนที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าสอนหรือตรัสกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้นี่นนก็มันใส่ใจเยอะๆนะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอ น, นิจจังนั้นเป็นกิจกรรมที่ทําใหญ่มากนี่นแล้วก็ต้องเป็นคนขยันจริงๆคนคนขยันมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีใจเป็นของตนไม่ใช่อารมณ์มันฉุดไป ไม่ใช่เป็น ผ, ผู้ใช้ชีวิตโดยพวกคนอื่นเขาฉุดเราไปนะคนที่เจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มเสรีชนตั้งแต่ตอนแรกอย่างน้อยที่สุดเสรีชนทางความคิดก่อนมีความคิดเป็นอิสระพอสมควรโดยที่ไม่ขึ้นตรงต่อต่ออะไรเวนพระตัตนตรายเนี่ยนะเวนพระตัตนตรายซะเขามีความคิดไม่ได้ขึ้นตรงต่อสังขารทั้งหลายเลยอย่างที่เขาเรียกว่า สังขารทั้งหลายถึงจะแตกทําลายไปแต่ใจของพระอริยาสาวกก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากพระรัตนตรยัยไม่เป็นอื่นจากพระรัตนตรยัยเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้เลิกในการพิจารณาอริยสัจอะไรตรงกันข้ามท่านเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตคุ้นคิดในเรื่องของอริยสัจในจนจนเต็มที่จริ ง, รงๆเนี่ยนะก็อาจจะเป็นกลุ่มประเภทกับคุณกาตาเนี่ยเป็นไปได้คุณกาตาถ้าศึกษาตั้งแต่สมัยนั้นมานะตอนนี้คงไปไกลามากเลย คือเขาก็เป็นคนนักนักนักคิดอยู่แล้วผู้ที่ศึกษาธรรมเนี่ยเป็นคนที่สแสวงหาสาระจากชีวิตไม่ใช่สแสวงหาสาระจากวัตถุเนี่ยนะไม่ได้สแสวงหาสาระจากมหาพูดแต่เป็นการสแสวงหาสาระจากชีวิตเนี่ยนะมหาพูดเนี่ยมันเป็นสมบัติสาธารณะจริงๆมันขามาชอบว่าคำว่ามหาพูดคืออพยากตะธรรมเนี่ยชอบจริงๆและก็เป็นของสาธารณะด้วยถ่าว่าโลกนี้มันของใคร เหมือนโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยแน่ของใครตกลงของใครมันก็ไม่ใช่ของใครอ่ะอเอาสิแต่คิดดูนะมันยึดได้หมดอ่ะพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะถือนี่ปุถุชนผู้ไม่ได้ทําปริญญาไม่กําหนดรู้ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้นี่เป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนในเรื่องของรายละเอียดในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ตามหลักโตสี่สิบนั่นแหละเป็นต้นนะนะอันนี้จะโตทุกขโตโรขโตนาตโตเป็นต้นเนี่ย จะต้องเอามาใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้นจนมากจนเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันถ้ากุศลธรรมไม่ค่อยดีนะคิดไม่ออกถึงท่องได้มันก็คิดไม่ได้หรอกถ้าไม่เที่ยงใครก็ได้ยินใช่ไหมแต่คุณคิดเรื่องไม่เที่ยงทั้งวันได้ไหมนอกจากถ้าทําได้ก็คือท่องคําว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะถ้าท่องอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยเป็นได้แต่จะคิดทุกอย่างให้ไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่ง่ายเลยแสดงถ้าเห็นหลอดไฟเนี่ยครับคนที่จะคิดไม่เที่ยงเขาจะรู้เลยว่า อายุใช้งานของหลอดเหล่านี้ควรจะเท่าไหร่แล้วปัจจัยที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เสียหายมีอะไรบ้างเขาเสียหายได้ไหมเขาแตกทำลายได้ไหมยก็ เ, เริ่มคิดยาวแต่และเรื่องคิดยาวหมดเลยเจ้าค่ะจากที่พระพุทธเจ้าแสดงก็ดูเหมือนกันคิดเรื่องราวของความเป็นไปตามธรรมดาตามปกติของของธรรมชาติของสรรพสิ่งเหล่านี้เจ้าค่ะ ที่เราจะต้องคิดต้นเป็นอย่างนี้ปลายเป็นอย่างนี้กลางเป็นอย่างนี้คือผู้ที่พิจารณาเนี่ยนะถ้าทางโลกที่เขาคิดคิดกันอยู่ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเลยถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ต่างกันการพูดถึงความจริงทางโลกเพื่อสร้างโลกการพูดความจริงทางธรรมเพื่อดับวตอันนี้คือความแตกต่างกัน ทางโลกนะั้นเขาจะพูดถึงอะไรนะสมมติว่าเขาก็ผู้ที่อย่างผู้ที่เรียนบริหารมาจะรู้เลยว่ากันเถอะเรียนเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อจะซ่องบำรุงรักษาเพื่อจะได้ผูกพันในสิ่งเหล่านั้นไปนานๆแต่ผู้ที่ศึกษาทางธรรมานี่เพื่ออะไรรู้ความจริงเหล่านี้เพื่อจะได้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพียงพอแล้วที่จะหลุดพน้นเดี๋ยนทะ่านผู้ที่ศึกษาพระธรรมทางโลกนี่ไม่ได้ขัดกับสิ่งใดก็ตามถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะ เป็นวิชาที่ไม่ขัดกับความจริงที่มีอยู่ในโลกนี่นี่คือธรรมะเข้าเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าทางโลกบางอย่างเนี่ยมันเป็นผลของการทําวิจัยเอาไว้แล้วซึ่งสิ่งนั้นคือความจริงถ้าถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงผู้ที่วิจัยเพื่อรู้อริยสัจก็ต้องยังไงก็ต้องวิจัยเห็นเป็นความจริงแบบนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมะถ้าทางโลกที่ไม่ใช่ตรงตรงไหนที่ความรู้สายทางโลกที่ไม่ใช่วิปลาสนะอันนั้นเป็นความจริงเหมือนกัน แต่เมื่อใดที่ทางโลกมุ่งเพื่อวิปลาสนั่นคือขัดกับทางธรรมทางธรรมพิจารณาความจริงเหล่านี้แต่เพื่อล่เพื่อละคลายความวิปลาสเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาธรรมะที่เรียกว่าจะออกจากวัฏตะจริงๆเนี่ยนะเ้ามาวม่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่เรียกว่าถ้าบรรลุแล้วยิ่งใหญ่กว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ถ้ายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่จะถามว่าทําเล่นๆหรือ แค่ว่าเนี่ยเราจะเรียนให้จบประมัธยมจบปริญญาเป็นต้นก็ดูเอาจริงเอาจังมากเลยนะ